อุบายลถทิฐิมานักของนักบวชเอาตัวอย่างท่านอนุรุท ธ, ธพะพรคุกิมพิละอุบาลีชวนกันไปบวชพร้อมกันพอเวลาจะบวชสามกษัตริย์อนุรุท ธ, ธพะพรคุกิมพิละนี่เป็นกษัตริย์เป็นราชโอรสของตระกูลสากยะส่วนอุบาลีเป็นคนใช้พอไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้า ทั้งสมท่านทูลขอให้พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้อุบาลีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านทั้งสามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอุบาลีเป็นคนใช้ในราชสำนักในเมื่ออุบาลีบวชก่อนท่านจะเป็นผู้อาวุโสพวกเราจะได้กราบได้ไหว้ท่านสมัยที่เป็นคารวะาอุบาลีเนี่ยถูกทั้งสามกษัตริย์ใช้หัวปักหัวปา เรียกว่าเป็นขี้ค่าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะตอนบวชให้อุบาลีบวชก่อนสามกษัตริย์นี่กราบไหว้ท่านอุบาลีพวกข้าพระองค์นี่เป็นลูกกษัตริย์บวชอุบาลีก่อนเราจะได้กราบได้ไหว้เป็นอุบายรถทิฏฐิมานะคติยะมานะพวกกษัตริย์เนี่ยถือตัวถือตนว่ามีตระกูลสูงเพราะอุบาลีคนใช้มาบวชก่อนเราจะได้กราบได้ไหว้จะได้รถทิฏฐิมานะ เพราะในความรู้สึกของพวกข้าพระองค์เห็นว่าทิฐิมานะความถือตนถือตัวเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะอาศัยเหตุนี้ในเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์พระนวกะมาบวชแล้วต้องปรนนิบัติอุปชาอาจารย์การปรนนิบัติอุปชาอาจารย์ได้ดิบได้ดีอะไรไม่ใช่ว่าเพื่อให้ครูบาอาจารย์มีหน้ามีตามีบริสัท์บริวารห้อมล้อมคอยปรนิบัติไม่ใช่อย่างนั้น เป็นอุบายลถทิฏฐิมานะนักบวชเนี่ยถ้ายังมีทิฏฐิมานะมันก็ไปไม่รอดอัญเชลีกรานิโยคุณสมบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่แท้จริงนี่มืออ่อนไม้อ่อนจะยกขึ้นกราบขึ้นไหวพระเทระผู้อวุโสไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คล่องแคล่วไม่มีทิฏฐิมานะไม่ใช่เสแสร้งทําด้วยความจริงใจ ด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้ชื่อว่าอัญชลีกะระนีโยทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายไปแปลอัญชลีกะระนีโยไปเข้าข้างตัวเองพระสงฆ์เป็นผู้ควรรับการรับไหว้ของคนอื่นอันนั้นเข้าใจผิดเลยทําให้ตัวเองนี่เป็นผู้วิเศษไปสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธองค์ อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตรงต่อมักผลนิพพานญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุขคาลาเอสสะภควโตสาวะกสังโคนี่คือสงสาวกของพระพุทธเจ้า อาหุนโยท่านแปลว่าควรแก่ของอันเขาพึงนํามาแต่หลวงพ่อเปลี่ยนเป็นว่าเพราะพระสงฆ์มีคุณงามความดีพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นอาหุนโยเป็นผู้ควรชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาพอเข้ามาแล้วเรามีทั้งอามิตรมีทั้งธรรมะเรียกว่าอามิตรสปฏิสันฐานให้ที่นั่งให้น้ําให้ท่า ธรรมะปฏิสันฐานสามารถแสดงธรรมะทำให้เข้าใจหลักธรรมะคำสั่งสอนจึงเป็นผู้ควรชักจูงชักชวนคนอื่นเข้ามาวัดมาว่าปาหุเนยโยเป็นบุคคลผู้ควรต้อนรับแขกเพราะมีธรรมะปฏิสันฐานอามิส ป, ปฏิสันฐานทักคีเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษินอัญเชลีกร ะ, ระนีโย เป็นผู้มีมือไม้อ่อน